เป็นตเจ็บไม่หยุดต้องกับนู่นต้องอยู่มุงทนมาไม่อากรลดลงเลยนีย่เป็นอะไ ร, ไรวันหนึ่งวันหนึ่งก็ก็อยู่ไปงั้นเนี่ยมีแต่เรื่องทาดเรื่องขันเห็น ม, ม, มีเรื่องอะไร มองไ้างนอกก็มีแต่มือกับแจ้งก็มีเท่านั้นดูภายในก็มีแต่เรื่องถาดเรื่มกันมันกวนกั น, ม, น, กนมันแสดงตัวของมันแลาผู้บ้ารับผิดชอบมันก็ดูมันอยู่อย่างนั้นมันทำมาของมันตั้งก็สลายลงไปก็ไปอยู่ที่เดิม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 ความจริงที่มีอยู่ในจิตต้องรอเนี่ยไม่มีอยู่ที่ไหนแหละพิสูจที่จิตเนี่ยมันเห็นลงไปชัดเจนทีนังพระพุทธเจ้าท่านทรงภิสูจนึจนถึงในกรบสรู้เป็นศาสดาาองค์เอกขึ้นมาจากใจดวงนั้นแหละอืมเนี่ยของเราก็มีเนี่ยตัวหมุน เย็นอยู่ตลอดเกิดแก่เก็บตายก็คือเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องจิตมันหมุนตัวเข้าไปสู่สิ่งนั่นสู่ธาตุนั้นนี้ผสมกันในภกนั้นภพนี้นั่นเองมันไม่มีอะไรไมีเท่านั้นตื่นภพตื่นชาติขงตัวเองอยู่เรื่อยมาเพราะมันไม่ทราบไปเกิดที่ไหนแล้วก็ปรากฏขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าเกิดแล้วไม่ทราบมันมาจากภพกใด ตายแล้วจะไปไหนอีกมันก็ไม่ทราบแต่ั้งตั้งที่มันก็หมุนวงมันไปมันไม่ทราบเนี่ยตัวนักเกิดนักตายใจดวงนี้ถ้าอยากจะทราบชัดเจน ต, ต้องปฏิบัติต่อจิตนี้ด้วยจิตตภาวนาอย่าไม่สงสยัยไม่สงสัยศาสดา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 เนี่ยนํามานี้ออกมาสอนโลกแล้วเป็นคู่เคียงของโลกด้วยมาเขงเรียกว่าธรรมว่าโลกคําว่าโลกกับธรรมนี่เป็นของคู่กันมาแต่การไหนกันไหนหนึ่งโลกไม่มีกําหนดกดเกณฑ์สั้นยาวชั้นใดธรรมก็มีกําหนดกดเกณฑ์ความสั้นยาวเช่นเดียวกันนั้นระยะการเวลาขนาดไหนนับไม่ได้เช่นเดียวกันะเนี่ยที่ธรรมนับมาได้เช่นเดียวกันกับ เรื่องของโลกนั้นข้าพเจ้ศาสดาแต่ับพระองค์สืบทอดกันมาเลยพอสิ้นศูนย์ไปสัมนายยะหนึ่งแล้วก็มีศาสดาอีกองค์หนึ่งขุดค้นขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นผู้เคียงของโลกดังที่เราได้พูดอยู่ทุกวันนี้ว่าโลกธรรมธรรมกับโลกอันหนึ่งเป็นโลกอันหนึ่งเป็นธรรมโลกนั่นก็คือโลกนั่นเอง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 เดือดรดาดกันอยู่ตั้งแต่ความทุกร้อนเพราะอำนาจแข่งโรคคือกิเลสมันเสียดแทงเหยียบย่ำจิตใจแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องแก้เครื่องสอดทอนไม่มีครเยอะอะไรเยียวยาคือทำไม่มีนี่เราก็พวกเราก็เคยพบมาแล้วเพราะเกิดมานานแสนนานท้าทายอยู่ในวัฏจักรนี้ไม่มีใครท้าทายยิ่งกว่าพวกเราแต่ละรายละลาย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 ก็หลงไปอีกแบบหนึ่งอีกบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝันอย่างนี้ไปอีกนี่สองชั้นสามชั้นมีแต่เรื่องถูกต้มถูกตุ๋จากสิ่งเหล่านี้เวลาจิตมันสงบเข้าไปเรื่องทั้งหลายมันก็สงบกั่นพอจิตสงบเรื่องก็สงบเพราะมันไม่ปรุงหลอกเจ้าของนี่ยิ่งเวลามันสงบแน่วลงไปได้หยุดกึกเรื่องความคิดทั้งหลายเลย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 เต็มที่ไม่มีบิดไม่มีบินไม่มีปลอมมันมีหมื่ น, นเปอร์เซ็นต์เข้าไปก็หมื่นหมื่นทั้งหมื่นเลยจ้ะทําบุญญาธิบริสุทธิ์หมดจดเป็นของจริงล้วนๆหมื่นเปอร์ซเอามาปฏิบัติซิตั้งแต่ยิเรมมันปลอมไปเท่าไหร่ร้อยหมื่นแสนเรซ็นต์ล่ายังเชื่อมันสักขนาดนั้นทําไมทําเป็นของจริงร้อยเปอร์เจะเชื่อไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์สองเปนีหรอเล่าเอาซิเอามาเพื่อปฏิบัติซินักปฏิบัติต้องเอามาเทียบเคียว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 จะสอยลงมาไม่สอยลงมาก็ตามจะสุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่มาโบมไม่โบมก็เป็นก็สุกอย่างเดียวถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ละเอีถึงขั้นนี้แล้วยิ่งรู้ยัางชัดว่าไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องมีความรู้ของตัวเองเท่านั้นและติดก็ติดอยู่นี้เท่านั้นถึงติดก็ตามติดอันนี้ไม่พ้นกิจผ่านไปได้ต้องเป็นประด้านโดยหลักอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพัฒนาคามีจึงไม่ลงมาเกิดนี่คือแมันเห็นใน ห, หัวใจเจ้าของสิ ท่านสอนไม่นั้นสอนอะไรสอนพวกเรานี่นะ่ะปฏิบัติให้เห็นภายในจิตใจต้องเห็นต้องรู้อย่างนั้นไม่ต้องไม่สงสัยเอางี้ทำมาเป็นของจริงฐันที่โกดิโก ส, นโกสนอนใครสอนพวกเราส อ, องผู้ปฏิบัติเราจะต้งเรียนที่โบวิอยูห่หีใครจะรู้ทําให้ผู้ปฏิบัติไม่รู้จะเป็นใค응รตาสีตาสาสก็ไม่สนใจกัะบากับธรรมเขาจะเอามารู้ได้ยังไงผู้ปฏิบัติทําต่างหากจะเป็นผู้รู้เห็นถ้ามันเห็นธรรมูลเจ้าของจริงมันมีการสถานที่เมื่อไหร่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 อ้านเห็นประจากษ์ภายในกิจใจมันมัวิมุตถูดพ้นถูดพ้นที่ไหนถูดพ้นที่ใจเพอใจเป็นผู้ถูกจําถูกจ อ, องไม่ใช่อะไรถูกจําจองตาหูจมูกลิ้นการมันถูกจําจองที่ไหนใจทั้งห้าถูกจําจองเมื่อแก้ถึงแก้ที่ใจแก้เข้าไปแก้ไ ป, ไปเมื่อมันหมดที่ใจแล้วจะไปถามหาที่ไหนอีกอพระพุทธเจ้ามีร้อยองค์ก็สาทูไม่ทูลถามท่านทูลถามทำไมาสันติโกร ป, รประกาศกลางวันจะเป็นของตรงนี้ด้วยกันตั้งนานนับแต่พระพุทธเจ้าทำงานจะทั่งถึงสาวบกสุดท้ายเหมือนกันหมดคําว่าสันติโก ไม่มีใครยิงย่งหยองกว่า ใ, ใครแหละนนัตติเซโยวปาปิโยนะ้มันเห็นประจกักษ์ภายในจิตใจเจ้าของเลยทำของจริงเปอย่างนี้ๆๆใครรู้เขาจริงทั้งนั้นชดสด้อนร้อนไม่ได้ล่าไม่ได้คืบล้าแต่ไหนล่าสมัยนนอกจากกิเลสมันหลอกตกหัวเราเล่นเหมือนเราตกหัวจุนดัดเราโง่จะตายไปให้กิเลสมันตกหัวเล่น ธรรมะไม่เอามาไป ต, าตอกหัวกิเลสบ้างได้เรื่องอะไรปีิมาใช่เป็นยัยงไง ร, รู้ทำรู้ยังไงได้ยินแต่แ ต, ตาหนักตำราว่าท่านรู้ทำท่านรู้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านมันรู้สัว ด, ดาท่า น, นรู้สกิทธามันรู้อนนาคาม่านรอรหรัตหลานท่านมันรู้อย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหลายมีอยู่กับท่านแล้วเราเป็นทรงไว้ซึ่งความสูดรเอื้อมหมดหวังอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ธรรมะนี่เป็นธรรมะของสัตว์ทั่วไป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 ถามมาที่ผ่านถามมาอะไรท่รรนานมานี่ผ่านที่ผ่านคืออะไรเหมือนอย่างว่าอิมอ่มอิมมันถามมาที่ไหนกินลงไป้มันรู้สิเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานใครจะจะบอกใครได้เครื่องสัมผัสน้ําพันธ์ให้รู้รสเปรี้ยวหวานเค็มมันอยู่ในตัวของเราทุกคนทุกคนอยู่ในลิ้นปูดง่ายๆอยู่ในลิ้นในปากของเราความอิ่มท้องทั้งร่า ง, างอยู่ในตัวของเรานี่หมดเค็มก็รู้หวานก็รู้อือิ่มขนาดไหนก็รู้อิมนนอ่มสุด ข, ขีดมันก็รู้ถามกันหาอะไรไม่มีใครถามกัน นี่ก็เคยพูดแล้วแล้วสงซันดิโกก็แบบเดียวกันนั้นนะไม่ผิดอะไรกับการรับทาง น, นี้เลยส่วนร้อนๆอย่างนี้จะไปค้นไปที่ไหนลาสไหมทีไหนถ้าไม่ให้กิเลสมันหลอกเท่นเป่าๆนั้นอืห่างไปสิมันได้เห็นทีนี้กิตเมื่อเวลามันถึงขั้นเต็มที่ของมันแล้วไม่มีอะไรเหลือภายในนั้นขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเหลือแล้วมันจะเกิดที่ไหนเอาใสไปสิไม่ว่าตายกลางค่ำกลางคืนตายเวลาไหนตายเอียบด ต, ตายตายด้วย เหตุผลกลไกอะไรมันเป็นเรื่องธาตุเหลึองขันสลายตัวไปทำไนธรรมชาตินั่นมั น, น, น, นตายตัวแล้วท่านเรียกว่าอากุปะอกุปะแปลว่าอะไร ห, หาความกำเริบไม่ได้นั่นถ้าโสดาก็ไม่กําเริบที่จะลงมาเป็นปุตชชนถ้าสกิทาก็ไม่กําเริบที่จะสลายตัวลงมาหรือว่าเสื่อมลงมาเป็นเป็นพระโสาดาพผ้านาคาก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นเป็นผ้าสกิทาพระละหันไม่เสื่อมเป็นผ้านาคาและไม่เสื่อมมาเป็นปุตชชนนั่นยิงเนี้ว่าอากูปะธรรมอกุปะธรรม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 รอนแม่ร้อนลูกมันไปแล้วแหละเดี๋ยวกับบ้านแตกถ้แหลกขาดถ้าลงปฏิบัติไดจับเข้าไปแล้วมันเป็นความจริงจะรู้ของจริงไปโดยลำดับ ม, มาจนกระทั่งกิเลสพังพังเพราะปฏิบัติพูดเรื่องนี้เราก็ยังทําให้ระลึกยับไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมไม่ลืมอะไรที่คิดกับท่านผมไม่ลืมตอนนั้นตอนนั้นเรากําลังจนุนโมลวนวายท่านเป็นธาตุของขันธ์นก็เพียบ ทนเราทางด้านจิตใจก็เพียบมันเพียบไปคนละด้านท่านก็เพียบทางด้านธาตุขันธ์จิตท่านไม่ได้พูดละไม่หมายอะไรแต่ถึงงนั้นเรื่องตัวกิเลสมันก็ไปแทรกกันได้นะเด๋ยผมถึงได้ได้พูดเดี่อนฟังเวลาดืดๆท่านมีลักษณะเหมือนจังเหมือนเหมือนฟวนเหมือนครางอี๋นิด ๆ, นดๆนดนดนดหนาไม่ได้มากนะก็เราก็อยู่นั่นนะ่ะมีลักษณะอีเหมือนอีเหมือนเหมือนร่องเหมือนครางเบาๆนะ่ะ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 แล้วจำไว้ด้วยไม่ลืมนะมันเป็นของธรรมชาติั้งมันเองยังไม่ต้องเรื่องมันผ่านไปท่านกับปรินิพานไปแล้วเรื่องของเราถึงมามันมาเป็นทีหลังเรื่องราวเรามาเป็นทีหลังแล้วกราบขอกขมาโทษท่านเลยอันนี้เราแน่ใจร้อยเปอเซ็นว่าเราหลุดไปเลยไม่มีอะไรเหลือเว้นแต่แบบเรากลัวเราเป็นหมาตอนนั้นนะนั่นถึงมันตาย ก, ก็ไม่หมดเพราะเราก็รู้อยู่ในใจของเรา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 ท่านมีลักษณะเวลาท่ามีลักษณะนี้ท่านจะเผลอบางไบ่นานนี่หมดเราแน่ใจเพราะเราระมัดระวังมากพอมันแยบงันเราก็รีบเหมือนกับว่าตอบคนลงทันทีเลยแล้วก็ไม่ลืมขนาดกิจที่มันคิดท่านท่านอย่างเวลาเรื่องของเรามันผ่านไปทีหลังเรามันถึงมากลับยอมในทันทีโอ้โหทำไมถึงกิจพิดผิดอมากมายคิดากรแม่ครูบาอาจารย์อคนมีกิเลสไปคาดคนสิ้นกิเลสมันคาดกันได้อย่างนี้เที่ยวเหลวทาไมกิเลสภายคาดนังมันยอมเคาะพ่อประกาศ อธิท่านประกาศพร้อกับมาโทษอธิท่านอันนี้ปรากฏว่ามันโล่งไปเลยทันทีไม่ปรากฏว่ามีอะไรตกข้างแต่คําว่ากลัวว่าหมานั่งจนกระทั่งมันตายเรายอมรับอันนี้หือจิตท่านขึ้นคือแล้วใช่ท่านมาเป็นอะไรอีกฮะลงจิตบริสุทธิ์จิตเป็นถึงขนาดอาดร่าตภูมิบริสุทธิ์เต็มที่แล้วยังจะกลับมาเป็นปุถุชนอีกศาสนามีความหมายอะไรวะนั่น ทำเอาใจทีจท่มาสวดาโตหมายความว่า ย, งายังไงนั่นสิคาโต้ก็ตาธรรมุ่นธไม่ชอบแล้วมันชอบอะไรอืมมาเป็นอย่างนั้นแล้วกลับเป็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมากลับเป็นอย่างนี้อีกมันแต่ไม่ชอบอะไถ้าไม่กิเลสมันสอมันมันหลอกเท่านั้นเองเออทำของจริงเป็นอย่างนั้นนี่แหละกิเลสมันสวมหน่อยมันเป็นอย่างนี้นเรื่องของเราเราจรําไม่ลืมไม่ลืมเลยมันสวมหน่อยตั้งแต่ บ, บัดนั้นผมไม่ลืมอยกระทั่งบัดนี้นะนี่มันนัมันสวมลอย ตั้งตั้งทีง่มันอาศัยเจตนาว่าดีนั่นว่าเจตนาดีนั่นแะมันสวมลอยอเราไม่รู้ีกตั้งท่านเราก็เชื่อท่านมาตั้งแต่ไปฟังเหตุฟังผลกันที่แรกนะถึงแน่ใจว่าร0อยเปอร์เซ็นต์นาดนั้นนะอาจารย์มิไปเยับนี่นั่นจะมีเวลาเผลอบางไหมนะเหมือนกับท่านจะเป็นผู้แบกสติแบกปัญญาไว้อย่างนี้ประคองอหรหันต์ไว้อย่างนี้ เป็นลักษณะนั่นเป็นลักษณะนั้นเหมือนว่าท่านเอามหาสติมหาปัญญานี่ประคองไว้แบกหามจิต ด, ดวงบริสุทธิ์ไปงั้นกลัวจิต ด, ดวงบริสุทธิ์นี้จะทาดไปจากมหาสติมหาปัญญาแล้วจะจมมันเปน็นอย่างนั้นมันจึงต้องถามท่านจึงจงส ง, ง, งสัยว่าไ อ, อ้เมื่อจิตท่านมีลักษณะอาการท่านมีลักษณะนี้ท่านจะมีท่านจะเผอบางไหมนะมันจึงไปอย่างนั้นส่วนที่ว่าพูดว่า เพราะทำไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยรู้เคเห็นมันก็สงสัยบ้างเป็นธรรมดาก็ยกไมปแต่เมื่อยกขึ้ถึงเรื่องว่ากุปฐธรรมอกุปฐธรรมะเขาอลไรสักสิมันค้านกันมันลบล้างกันอันนี้จะอย่างเต็มที่เลยว่าที่ไม่เคยรู้เคเห็นเนี่ยเป็นธรรมไม่เคยรู้เันก็เห็นก็สงสัยบ้างอะไรแล้วกุปฐธรรมอกุปฐธรรมใครตัดไว้นั่นนี่ก็ศาสนาองค์เอกยิ้นพูดส า, าสตร์ไว้สวกาโตกตาธรมโอใครพูดศตร์ไว้ศาสนาองค์เ อ, เอ้เรารู้ตามความจริงั้นนแล้วมันจะไปไหนน่ะ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 ยังมีคิดอยู่นี่เราก็ไม่หวังเราหวังอะไรอกับมันเนี่ยเราไม่เคยหวังนอกจากมีความเมตตาต้องสารหมู่เพื่อนประชาชนญาติโยมมาที่สัตว์เกิดศาสเพนตตามื่อศสตร์ต้งหลายที่เป็นเพื่อนตูเกิดตายด้วยกันมดทั้งที่นี้เท่านั้นผมไม่มีอะไรที่จะหวังสํางหลังเจ้าของหญิงก็หวังหาอะไรหวังอะไรมันเจ้าอะไรกับมาณดินก็ทราบแล้วว่าด you know. ินเนี่ยรับตื perde, ่นลืมตามันก็ดินเนี่ยน้ําลมไฟรับตื่นลืมตามันก็ดินน้าลมไฟไง จะไปพลิกไปให้ม่เป็นอะไรไปอีกแล้วจะแบกมันหาอะไรอีกถ้ามารู้แล้วแบกหาอะไรเงี้ยมีเสียษวิโสอะไรกับดินน้ำหนุนไปนี่นั้นขอให้ใจไมันวิเศษวิสโสเถอะมันจะทราบเองเรื่องเหล่านี้นะทามันจริงที่นักปฏิบัติอย่ามันเรารอลาะแ ห, หละนะเหมือ น, นทําเป็นของเล่นที่เศษเป็นของจริงไปอย่างนั้นเวลาเนี่ยมันพลิกกันไปอย่างนั้นนะอืมทําการเป็นของของเล่นไที่เศษเป็นของจริง ถ้าเป็นเรื่องที่เหลวมันจริงจังทุกอย่างถ้าเป็เรื่องทําทำเหลวไหลลราแหละแน่จะเมื่อเป็นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะว่าที่เดลวเป็นของจริงทำงเป็นของเหลวไหลยังไงเป็นนําของปลอมงไงมันต้องเป็นหนึ่งว่าท่ภายในหัวใจเรานั้นปากพูดออกมาว่าทำเป็นของจริงที่เหลป็นของปลอมว่าไปงั้นแหละนหนีเลยพาให้ว่าถ้าทำพาให้ว่ามันจริงถึงเลยเดี๋ยวขอให้ทําถึงใจเถอะพูดไม่พูดมันก็ถึงใจตลอดเวลาเห็นมากนะพระน่ะ ควรจะขยับขยายก็ขยับขยายนะแน่นจนจะหาที่อยู่ไม่ได้ลไแล้วทำไงแล้วท่านสุธินไปออกภาษาภาษาที่แล้วจำภาษาที่นี่ใช่ไหมแล้วออกภาษาแล้วไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนียเฮ้ฮกโกโลโกโศไปไปไหนไปทางไหนบ้างว่าสิฮะเพื่อฟงัง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 เพื่อความด้วยความดีนะก็เพื่อเพราะเป็นของจริงด้วยกันแล้วสอนด้วยเจตนาโดยทันจะเด็ดจะเดียวจะดุดาว่ากล่าวขนาดไหนเป็นไปตามความจริงเื่านั้นด้วยเจตนาด้วยหมู่เพื่อ้รับความดีความดีจ้า ก, การแนะนําสอนทั้งดุดาว่ากล่าวทั้งดีทั้งดีนั่นแหละไม่ไทำศักแต่ว่าทํานะเอาแค่นั้นรู้สึกเหนื่อยถ้าพูดไปมันต้งเป็นมันเอะมันจว่าไงมันเป็นแล้ว ม, ม, ม, มันกนมากระเทือนนี่แหละ ใครไม่ทราบว่าใครมาจากไหนแต่ไหนบ้างหน้าใหม่ๆยังมีเยอะเนี่ยมองไปเราก็ไม่ทราบว่าชื่อบางไงท่าไงเพราะเราก็ไม่ถามเราเพียงประคองธาตุขันของเราที่มันกระพอตัวอยู่แล้วเวลานี้นี่ี่ก็ามาประคบยายุ่งอยู่ตลอดสองสามวัน น, น่ะมันไม่ได้อยู่สะดวกสบายเไยมันเป็นมันเปน็นนี้นัน้ น, นทางตนนุขัอยากีนอันนี้กั็นนวัตดี โรหัวใจรู้สึกว่าเบาไปมากทีเดียวถ้าไม่ใช่ยากรีนที่เอามาชั้นคราวนี้ผมไปนานแล้วนะเพราะไอ้อที่มันหอกันมันบอกชัดเจนเลยจนเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยถ้าเป็นอย่างนี้พึ้นเป็นอย่างนี้นีจะไม่เลยเจ็ดวัน น, นุ่นขนาดนั้นเพราะมันรู้มึงขนาดที่ว่ามันเรานอนไม่ได้ถ้านอนมันจะไปองดนนืนักมันรู้จัดชัดขนาดนั้นกลางวันก็ไม่กล้านอน เวลามันหอบผ้าห้างห้า่อนตายง่ายที่สุดรว ด, ดเร็วที่สุดด้วยมันบวกกันเ ก, าก่าเขาลงหัวใจมันหอบอะไรเจ้าคนเราก็ไม่เคยเป็นเวลาเป็นมาเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปอหอบไปจนกระทั้งลมหายใจหายเงียบเลยนะธรรมดามคนนี่คี่ว่าคนตายนะเรามาทราบไปตรงนี้่คือว่าคนอยู่ๆแล้ว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 สุยาก็ตอนเช้าตอนประมาณแปดโมงมั้งแปดโมงกว่าเลยเนี่ยหรือเก้าโมงเนี่ยเพราะตะวันหน้านั้นมันยำบุงแต่เช้านี่นะจนพุกิกาไปที่ดูไปถึง ส, สกลนครก็เที่ยงพอดีเอะเพราะรถทางก็ไม่ดีด้วยทางปล่อยลืนไปเลยพอเที่ยงคืนทั้งตื่นพอตื่น ก็เริ่มมีอาการแปลกๆนิดนิดห น, น, น่อยให้เห็นแล้วนะัน่นท่านปล่อยน้นั่ น, นท่านทอดอะไรแล้วอย่างนั้นก็นทําหน้าที่เรื่อยๆเวอรกะตีสองยี่สามนาทีก็หมดนั่นเห็นไหมนะั่นคือท่านทอดทุละแล้วปล่อยเลยไปเลยมันเหมิดมาถึงที่แล้วทํำในร่างนี่มันทาให้มันทําให้ย้อนไปดูเรื่องของท่าน เ, เพราะเรื่องของเรามันเป็นแทบ แทบจะเอาไว้ไม่ไหวหนึ่งจะว่าไงอืงไม่กล้านอนเวลเป็นสดๆร้อนๆนี้มันเข้มยิ่งชัดๆอยู่เนี่ยมันจะไปชัดๆชๆอยู่เนี้บางคับกันไวจริงขนาดไหนมันรู้อยู่ขนาดนี้แล้วถ้ามันมันทํำไมมันจะไม่รู้เรื่องของพ่อแม่กูจานล่ะนี่เใครจะว่าเป็นบ้าก็ว่าไปสิก็มันเป็นอย่างนี้ในหัวใจมันรู้กันอยู่อย่างนี้อ่ะการไม่รู้ใครจะรู้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 ยิ่งกว่าการตาํางมีตัวเองไว้ก่อนเนี่ยเรียนมันอยู่ในตัวเองนะมันอยู่กับเรามันจะมันจะมันจะออกที่เรานั่ยล่ะก่อนก่อนที่จะคนอื่นจะออกมันจะออกที่เรานี่ยล่ะก่อนให้ดูเรา